พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่29เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าได้ทั้งสองอย่างอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ เดี๋ยวหลวงพ่อจะอ่านลงตางหวดกับพร้อมอครอบครัวลูกหลานลงตาหวดเนี่ยนะเคยเป็นผออเป็นอะไรสมัยก่อ น, นยอยู่ทําอำเภอเดียวกนอยหหน่หัวหน้าหัวหวน้าหมวดการศึกษาเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเป็นรองผู้อำนการเขตเดี๋ยวนี้เป็นรองผู้อำนวยการเขรตเออตําแหน่งสุดท้ายเออตำแหน่งสุดท้ายก่อนเคยมาอยู่อำเภอนายุงของเรา ทนี้ท่านบวชเมื่อเมษาปีปีห8บวชในงานบวชเฉลิมพระเกียรติพระเทพก็เลยไม่ศึกเลยอยู่ตลอดมาละนี้ก็สนมากอยุมาอยู่ที่วัดนาะคำน้อยของเราเนะี่ยแหะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่นี่แหละท่านก็บอกว่าท่านจะถวายที่ดินทาง ไปทางหลังที่วาการอำเภอท่านมาซื้อที่นี่หลวงพ่อก็ถามว่าที่ดินมีอะไรไ่โปกครอลูกหลานก็พอมมีหดอกที่อื่นก็มีอยู่ตรงนี้จะถวายไว้ที่วัดน่ก็เลยเป็นทั้ทำเป็นหนังสือขึ้นมาสัญญาโอนยกให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทำที่วัดป่านาคำน้อยอเภนายุงจอุดรธานีวันที่26เมษายนาจะถาวายในวันเกิดของหลวงพ่อนะอวันที่26เมษายนพุทธศักราช2559หนังสือชัญ้นญานี้ทําขึ้นระหว่างนางตะวันพุ่มเชาบาอายุ36ปีอยู่บ้านบ่งเล็บอยู่บ้านเลขที่238ทับ21ถนนอรุณยเดช ตำบลหมักแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้ให้ฝ่ายหนึ่งกับวัดป่านาคําน้อยโดยหลวงพ่ออินทวัยสันตุสโกเจ้าวาดซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้รับอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทําสัญญากันโดยข้อความดังต่อไปนี้หนึ่งข้อที่1ข้อ 1. ผู้ให้ตกลงให้โดยโอนทรัพย์สินเป็นสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของผู้ให้แก่ผู้รับ และผู้รับตกลงยอมรับเอาชับสินของผู้ให้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 สิทธิครอบครองในที่ดินตามแบบประเภทพอทอบอ5เลขที่สำรวจ62ทับ57ขีด60จำนวน1แปลงเนื้อที่25ไร่ ซึ่งตั้งอยู่หมู่สิบบ้านนาคำน้อยตำบลบ้านกล้องอำเภอนายงจังหวัดอุดรธานีดังปรากฏตามแผนผังที่ตั้งของที่ดินแบบท้ายสัญญานี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 1.2 ต้นยางพาราอายุ5ปีจำนวน 1,700 ต้นต้นสัก20ปีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งปลูกในที่ดินผืนดังกล่าว การมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นนี้ผู้ให้ประสงค์จะยกให้วัดป่านาคำน้อยเพื่อเป็นสมบัติเป็นสาสนสมบัติในพระพุทธศาสนาตลอดไปข้อที่สองที่ดินดังกล่าวตามข้อหนึ่งผู้ให้ขอรับรองว่าเป็นที่ดินของผู้ให้มีสิทธิ์ครอบครองโดยถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งได้รับโอนสิทธิ์ครอบครองดังกล่าวมาจาก นายหวดบุญประเสริฐหรือพระหวดวรวัฒโนเมื่อปี2องข้อสผู้ให้สัญญาว่าทรัพย์สินยกให้ดังกล่าวตามข้อหนึ่งไม่มีพระติดผันและและหรือการโอนสิทธิใดๆทั้งสิน้นหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นผู้ให้ ยินยอมจะเป็นผู้ปลดเปื้องภาระติดพันต่างๆแทนผู้รับทั้งสิน้นข้อที่4การให้ทรัพย์สินดังกล่าวตามข้อหนึ่งเป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าตอบแทนใดๆและจะไม่มีการถอนคืนการให้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆจากผู้ให้และหรือทายาทของผู้ให้ หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานนางตะวันพุ่มชบาผู้ให้หลวงพ่ออินทวายจันตุจกโกผู้รับ พระหวดวรวัตโธพยานนางเตยบุญประเสริฐพยานโอ้นายนายเขตบุญประเสริฐพยานนายชัชวาลบุญประเสริฐพยานนายอารุไมตรีสวัสดิ์พยานนางตุ เนตแสงสีพยานนางอนงจิราพง์พยานนางคำบางสงสงนอกพยานข้าพเจ้านายปราโมทพุ่มชบาในฐานะสามีของนางตะวันพุ่มชบาผู้ให้ขอแสดงความยินยอมให้ภรรยาของข้าพเจ้ากระทำนิติกรรม ยกทรัพย์สินดังกล่าวตามสัญญานี้ให้แก่วัดป่านาคำน้อยทุกประการหลวงชื่อนายปาโมดพุ่มชบาผู้ให้ความยินยอมอ้าวพวกเราอนุโมทนาสาธุความกันนะลูกหลานในสาธุที่ยกพื้นแผ่นดินให้นี่ก็ไม่ใช่ยกให้หลวงพ่อนะหลวงพ่ออายุมากขนาดนี้แล้วจะเอาไปที่ไหนอีกวะเมียแต่ยกว้ เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานะต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นยังค่อยว่ากันตามขั้นตอนนะเด็ดเดี๋ยวนี้ในที่วัดของเราก็เราก็มีคนถวายมาแล้วก็ปลูกพวกไม้สักไม้สักสองแปลงน่ะนี่แหละให้เป็นป่าดงพงไผ่ขึ้นมาหลวงพ่อเองไม่ได้คิดอะไรมากมิแต่พอได้ที่ดินมามิแต่จะป ล, ป, ลปลูกป่าเท่านั้นแหละ ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินให้คืนป่าเอาไว้เดี๋ยวนี้มันป่ามันหมดแล้วต่อไปกันอาจจะปลูกปลวกไม้ประดูมักข่าแต่เคียนทองไม้สักคือเป็นป่าดงพงไพยขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นที่พักผ่นหย่อนใจของพี่น้องลูกหลานหรือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพษุสัมมาเนในอนาคตมันย5ไร่ก็ไม่ใช่เล็กเหมือนกันนะ เป็นสถานที่ภาวนาเป็นที่เปลีกวนกลีกเล่นภาวนาได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองรับแล้วก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาในเจตนาดีของลูกของหลานที่หลวงาตาหวดเป็นต้นหลักแล้วก็คุณโยมอสองตายายที่เป็นอาจารย์ทั้งคู่เนี่ยทั้งพ่อแม่ทั้ง ลูกหลานก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ทําการทํางานก็คิดว่าคงไม่หนักหนานะที่ท่านได้ถวายหลวงพ่อที่ดินแปลงไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ถวายหลวงพ่อนะลูกหลานนะถือว่าวถวายหลวงพ่อเป็นผู้รับแล้วก็ผ่านหลวงพ่อไปก็คือพระพุทธศาสนาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาโดยอันิสง์ถวายที่ดินไว้ใน พ, พุทธศาสนาขอให้พวกเรา ตระกูลของเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญและก็ถางหนทางไปสู่พระเจ้าจักรพรรดินะคือเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างน้อยก็ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนนะต่อเป็นก็เป็นกำนันต่อไปก็เป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกตลอดนู่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในอาณาคตการเบื้องหน้า าหากว่าเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ก็ขอให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะ อ, อย่าจนูนสถานที่ใดไปนัชสถานที่ใดคาว่าไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย อ, อย่าได้มีทุกพพทุกชานะลูกหลานเะน้อวันนี้เป็นวันที่ยี่สเมษายนพุทธศักราช2559หวันนี้พระ ของเราทั้งหมดมีอยู่สิบสเหมือนกันนะ <c oughs> พาทั้งหมดมีอยู่49่ลูกแล้วก็วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ําเดือนห้าเป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันรักษาศีลของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้ออกมาฉันข้างนอกศาลาใหญ่หลังนี้นะวันพระวันเสาอาทิตย์จุดแถวแตะกูบาจะพา ออกมาชั้นข้างนอกแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านถึงวันพระแปดข่ำสิบผําข่ำหรือเป็นวันธรร ม, มัทสวระเป็นวันปฏิบัติธรรมก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านลําลึกไว้ในใจเสมอว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งที่พวกเราจะต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมจะต้องรักษาศีลอย่างน้อยก็มีศีลห้า เรื่องของมีสินแปดหรือว่าไหว้พระสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษเชิดชูบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทนะท่ามากกว่านั้นก็นตั้งอกตั้งใจภาวนาท่าวันไหนสมมติงงเออแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยเราวันบางทีไม่ว่างเออก็ไม่ว่ากัน ถึงจะแปค่ำสิบห้าค่าไม่ว่างเอออันนั้นก็เราก็ต้องทำการงานทำงานไปแต่ถ้า8ดค่ำส15ห้าค่าเนี่ยเราต้องหาโอกาสเออไม่ว่างตลอดไปจะได้หรอเออเราต้องหาโอกาสเนี่ยจากนั้นเราก็เนี่ยภาวนาเนี่ยแหละลงพ่อเองอยากจะให้ภาวนานะลูกหลานคณะสัายาธิโยมนะเรื่องภาวนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย เ, เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมาได้อย่างไรนีก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรรท่านตัดสู้ตัดรู้อะไรท่านภาวนานที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั่นแหละอันนั้นคือต้นตระกูลของพุทธศาสนาก็คือท่านภาวนาเพราะนั้นพวก เมื่อท่านภาวนาได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านจะในเรื่องบัญญัติเรื่องทานเรื่องศีลเนีเรื่องกฎระเบียบเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายออกมาแต่ต้นต่อจุดประกายที่แรกคือหนึ่งคือเรื่องภาวนาพระองค์ทำพระไทยใจของพระองค์ให้เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจพระองค์สงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌาน จากนั้นก็ได้รู้ปุ เ, ปเพทิวาสารนสติญาณจุตปูปาตยานอาสาวกไหยญาณตามลําดั บ, บนะสรุปแล้วก็คือได้ตรรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพท่านก็ไม่ได้ทําอย่างอื่นท่านนั่งภาวนานะเพราะฉะนั้นพวกเร า, เาถึงจะให้ทานรั ก, รกษาศีลหรือปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนะ แต่ว่าเรื่องจิตภาวนาเนี่ยให้ถือว่าเป็นหัวใจเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพรา ะ, ะนันขอให้พวกเราคณะสัตธาญาติโยมผ้านเนรลูกหลานทุกองค์เนอะถึงอย่างไรก็ให้ภาวนาถึงจะมากจะน้อยก็ให้ภาวนาวันละห้านาทีสิบนาทียี่สิบตันีสามสิบนีถ้ามีโอกาสก็นั่งเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะนะเราต้องมีการนั่งภาวนา ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ธุระการงานอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะเมื่อมีโอกาสแล้วก็เร่งนั่งภาวนาเราต้องหลบหลีกเปลีกตัวหาอกหาหาสถานที่เหมาะๆที่วัดของเรามีตังมากนะที่วัดของเรามีมากสถานที่ภาวนาที่หลบที่เหลีกที่เลี่ยงเรื่องภาวนาที่หลังวัด เราจะไปอยู่กุติหลังไหนไปปัดกวาดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็นั่งภาวนากี่ชั่วโมงได้เวลานึงค่อยออกมาแล้วก็เมื่อมีโอกาสนั่งอกีกเดินยังกลมอีกให้ค่าก่อนเราต้องทำเป็นยกยกนะไม่ใช่ว่าวันไหนกับวันเก่าไม่ใช่นะลูกหลานนะการภาวนาถ้าควรจะเร่งเร่งข้าพเจ้าจะไม่คุยจะไม่พบ จะไม่ส่งจิตออกไปนอกแล้จะให้จิตใจอยู่กับตัวเองตลอดวันนี้วันที่เท่านั้นชั่วโมงเราก็ น, นั่งภาวนานะเมื่อนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้ครั้งหนึ่งนั่นแหละท่นี่การเห็นผลการทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละต่อไปมันจะสืบเนื่องแล้วท่นี่เหมืนกับเราไปหาเงินไปไปขุดทองได้นะ แล้วไปขุดเพชรนินกินดาได้ขึ้นมาก้อนหนึ่งเ อ, อเราก็มีกําลังใจแล้วสินี่อต่อไปเราก็พยายามทําให้มากๆเ อ, อทําให้ติดต่อนอนเนื่องไปเรื่อยๆเพิ่มมันจะเห็นผลไปเรื่อยๆแล้วสินีโอ้ที่นี้เราก็เหมือนภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วได้แล้วนั่นเออแต่ทางโลกเราก็ ข, ขยันมันขยัน เ, เราก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลย การทำมาหาเลี้ยงชีพ เ, เพราะว่าเรายัางเลี้ยงชีพเรายัางมีกินเราจึางกินยังใช้ปัจจัยซีอเราจะปล่อยปละละเลยจุดนั้นก็ไม่ได้ถ้าเป็นคราวาตนะแต่ทางด้าน จ, จิตใจเราก็ส ะ, สะแสวงหาสรุปแล้วก็คือได้ทั้งสองอย่างทางโลกิยะทางโลกุตตะละนะโลกิยะคือคือทรัพย์สมบัตินะโลกุตตะละคือเราส ะ, สะแสวงหาทางพ้นทุกข์ จะได้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาศกตาคานาคาอรหัน เ, เราก็ไม่เคยลดละทางนี้แต่ทางการทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็ไม่เคยลดล ะ, ะทําทั้งสองข้างทั้งสองฝ่ายนะี น, นทางว่าทําได้อย่างแน่นดีนะลูกหลานนะทางว่าเราข้างใดข้างหนึ่งแต่ทางว่าเรามาปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นทางธรรมก็ได้แต่เราต้องมาบวช เป็นชีหรือเป็นพระตัดภาระทางโลกเลยอันนั้นโอ้เลิศประเสริฐนะพอเรามุ่งมั่นมาทางทางนี้ทางอัดทางทำทางโลกก็ไม่รู้เราจะไปมุงม่งหาอะไรมุ่งหาอะไรพอสอะแสวงหาทรัพย์ได้มากขนาดไหนก็เถอะไม่มีใครเอาไปได้เอาไปด้วยได้สักคนมีแต่ทิ้งไว้ทั้งหมดเพราะฉนั้นการสอบแสวงหาทรัพย์นะครับเพื่อเลี้ยงชีพ เพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงตระกูลเพื่อเลี้ยงครอบครัวที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าว่าเราออกบวชหนีไปจะปฏิบัติธรรมเราก็ปล่อยปะละเลยจุดนั้นมุ่งว่างมุ่งหวังต่ออัธิธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกะจะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกในวัตะสงสารพอเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรามนุษย์ชาติของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อยู่แล้ว เพระนั้นให้มองดูมองดูคนอื่นๆมองดูรอบด้านมองลูมตั้งแต่ปู่ย่าตายายของพวกเร า, เาแล้วก็มามองดูเร า, เ, าเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเร า, เาจากนั้นก่อนนะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลถึงร่างกายของพวกเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะ อ, อาหารดีขนาดไหนสมบูรณ์ขนาดไหน เมื่อเลี้ยงไปแล้วก็เห็นแต่ความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดนะ เ, เลี้ยงร่างกา ย, ยไม่เห็นแต่มีจเจริญรุ่งเรืองไม่เห็นจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเสร็จสวยงดงามไปข้างหน้านะไม่มีนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดท้งนี้ให้ท้งนั้นให้ฟังให้สังเกตนะ เ, เลี้ยงร่างกายเนี่ยเลี้ยงอาหารดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงเข้าไปก็แกเ่เจ็บตายในที่สุดให้เลี้ยงหัวใจให้เลี้ยงธรรมถ้าเราสวแสวงธรรมเข้าสู่จิตใจ ถ้ามีสมาธิธรรมปัญญาธรรมเข้าสู่จิตใจในหลักของพุทธศาสนาทนวัตทิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นะในพวกเราคณะท า, า, ายาทโยมพระเอ็นลูกหลานทุกคนนะ้เรื่องจิตภาวนาเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาะเรื่องอย่างอื่นก็เป็นบริวารนะนะเรื่องบริวาร อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ท่านนั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพธิ์พระไทยใจของพระองค์สงบจากนั้นก็เกิดญาณธาตุสนะระลึกชาติโหนหลังได้ปุเพนิวาสานุสติญาณจากนั้นก็อาสาวกขยายญาณจุตู ป, ปตาตญาณอาสาววักขย้ายญาณได้ตัดรู้แล้วท่านจึงเป็นได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงบัญญัติเรื่องทานนะ บัญญัติเรื่องทานบัญญัติเรื่องศีลบัญญัติเรื่องกฎระเบียบต่างๆจึงเป็นพระพุทธศาสนาจึงมีพระธรรม 84,000 พันพระธรร ม, มขิหารขึ้นมากค็คือนับหนึ่งคือพระองค์นั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพในวันเดือน6เพนนนั่นแหละตั้งแต่หัวค่ำนั่นแหละคือนับหนึ่งพอนับหนึ่งเสร็จนับถึงสใช่ล่ะปุเพนิวาสารุสติญาณจุตูป ป, ปาตยานอาสาวักยญาณ แปลว่านับสามออกจากสามแล้วจะเรนับนะเรื่องทานเรื่องจีนเรื่องภาวนาเรื่องกดและเปียบเรื่องวินัยเรื่องศีลห้าศีลแปดศีลนุโบสดพระธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมมะขันถึงจะถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันก็เถอะนะก็นับมออกมออกมาจากหนึ่งนะถ้าไม่มีจุดนั้น่ะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้นะพรธศาสนาไม่มีเลยไม่มีพูดง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดรูนะ้นี่พระพุทธเจ้าได้ตัดรูนะ้เวันนั้นะจึงมีพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราจึงถือว่าการภาวนาเนะี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะคณะทายาทโยมลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทระนี้นะ